ขึนกลับไปก็ปฏิบัตินะคะหลวงตาพอก็ไปนั่งนั่งสักพักหนึ่งมันมันมันก็เมื่อยพอพออาการเมื่อยมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็เหมือนเรารู้ตัวว่าเออทุกข์มันเริ่มเข้ามาแล้วอ่ะทุกข์มันเริ่มเข้ามาแล้วเราก็เราก็นั่งดูมันนะคะนั่งดูมันแล้วก็ใจอะมันยุกยิกยุกยิกยุกยิกพอมันเมื่อยแบบใจมันยุกยิกยุยิกมันมันมันมีใจอยากจะเปลี่ยน ใจมันบอกว่ามันเหมือนมันสั่งว่าเปลี่ยนสีแล้วคุณจะคุณจะคุณจะหายแต่ก็หนูก็ไม่ได้เปลี่ยนหนูก็นั่งมองมองมองมองมันเสร็จแล้วอ้าวพอมองมันเสร็จแล้วนี่มันทําเพื่อตัวเองหรือเปล่าคะคือทำเพื่อตัวเองที่อยากจะให้มันพ้นทุกข์อ่ะอยากให้มันพ้นพ้นจากอาการเมื่อยก็นั่งมองมองมันว่าเออนี่มันมันทำเพื่อตัวเองเนี่ยมันคือคือว่าถ้าเราถ้าเราทําตามคําสั่งของไอ้จิตดวงเนี้ย คือพลิกกลับไปมันก็จะหายเมื่อยทันทีมันกลายเป็นว่าเราหนีทุกข์หรือเปล่าคะมันไม่ใช่ไปดูตรงนั้นเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันไม่ใช่ไปดูตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูผิดตัวเดี๋ยว <c oughs> อ๋อมันเข้าไปนี่ข้างไหนแล้วพอเราจะพูดมันไมฟังอ่าก็ ก็ฟังหนูหยุดแล้วอตัวฟังหนูตาตั้งใจฟังเป็นนิ่งอยู่ข้างในวันเราจะพูดเป็นนิ่งอยู่ข้างในทําสมาธินิ่งอยู่ข้างในฟังไม่รู้เรื่องเออทําแต่จะไปทําสมาพอเราจะฟังเราจะไปทําสมาธินิ่งข้างในฟังไม่รู้เรื่องนอ่เข้าใจเรื่องเรื่องรู้สมัยอ่ทุกคนเลยเนี่ยเข้าใจเรื่องรู้สมัย เนีเมื่อเช้าก็สองแท็กใหม่ว่าแสดงว่ายังไม่ได้เข้าไปฟังกันสองแท็กใหม่ที่ที่ส่งไปเป็นเรื่องรู้โดยเฉพาะเลยที่แล้วสอนคนที่มาใหม่แท้ๆสองแท็กที่ที่ส่งไปเมื่อเช้าเนี่ยอแสดงว่ายังไม่เข้าไปฟัง อ, อแสดงว่ายังไม่เข้าไปฟังใช่ไหมไม่มีลายมไม่มีเอ คืออย่างนี้ควรที่รู้แล้วก็ช่วยอธิบายคนอื่นด้วยนะเนี่ยเพราะว่ามันอถ้าเราเข้าใจผิดตรงนี้มันจะปฏิบัติผิดว่าอะไรคือรู้ที่ก็าพูดว่ารู้รู้รู้รู้รูเนี่ยพูด ก, กันตั้งนานเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะเราก็จะปฏิบัติมั่วๆแล้วปฏิบัติผิดอตั้งใจฟังตั้งใจฟังเ้เรื่องรู้เนี่ยมันก็ เป็นเรื่องธรรมาชาติที่มันมีอยู่แล้วในพุทธเจ้าในพระอาหารหันต์ในปุถุชนในสัตว์ในจสานทั้งหลายในสรรพสัต ว, ต ว, ตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมีรู้อยู่แล้วรู้เนี่ยเรียกเป็นธาตุรู้หรือวิญญาณธ า, าตุที่มาผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟแล้วอากาศสัตว์ธาตุเป็นร่างกายจิตใจของเรามีชีวิตมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยมีเป็นขันธ์อ้าขึ้นมาเนี่ยมันมีรู้อยู่แล้วที่เข้ามาผสมเรียกว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณธาตุที่มาที่เข้ามาผสมกับสเปิร์ม ของพ่อกับไข่ของแม่สเปิร์มของพ่อเป็นธาตุดินไข่ของแม่เป็นธาตุน้ําดินกับน้ําผสมกันเสร็จแล้วเนี่ยวิญญาณที่เป็นธาตุรู้ยังไม่มามีแต่สเปิร์มของพ่อว่ายเข้ามาผสมกับกับไข่ของแม่เป็นธาตุน้ําแล้วแม่ก็กินซากพืชซากสัตว์กินดินกินน้ํากินลมกินไฟกินอากาศธาตุกินความร้อนเข้าไปผสมกันเป็นหยดเลือดเป็นก้อนเลือดโตขึ้นมาพอเลือกก้อนเลือดเนี่ยผสมกันมาด้วยดินน้ําลมไฟที่มาจากเริ่มมาจากสเปิร์มของพ่อผสมกับไข่ของแม่ที่เป็นธาตุน้ํา แล้วแมพ่อกับแม่ก็กินเนี่เนี่ยสาพืชสาตัดสัตว์ก็ไปเป็นธาตุดินกินน้าเนี่ยวันหนึ่งกินน้ำไม่รู้กี่วัะกี่ขวดกินน้ํากินลมหายใจเนี่ยกินลมหายใจก็ไปกินธาตุลมและกินไฟคือธาตุความร้อนเข้าไปผสมส่วนในธาตุรูปวิญญาณธาตุเนี่ยมันมาที่หลังมามากระทั่งมาจนกระทั่งไอ้ก้อนเลือดนี่มันโตพอสมควรแล้ววิญญาณธาตุจึงเข้ามาผสมมันก็เลยกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็เป็นอากาศธาตุคือธาตุว่าง เป็นอากาศธาตุแล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าเหมือนกับอากาศธาตุแต่มีความรู้วิญญาณแปลวิญญาณภาษาบาลีแปลว่ารู้ไม่ใช่ว่าวิญญาณแปลว่าผีแล้ววิญญาณนำมาผสมกับเสร็จแล้วก็มันมีขันห้ามีชีวิตจิตใจมีร่างกายขึ้นมามีร่างกายมีชีวิตจิตใจก็คือมีเวทนามีรูปร่างกายมีเวทนาก็คือมีความรู้สึกถูกใจถ้าถูกใจสิ่งใดในการในขณะที่กระทบต่างๆาหูจมูกลิ้นกายใจ ถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกขเข้า ม, มาสุขเวทนามีสัญญาจําได้ไหมรู้ขณะดที่กระทบว่าอะไรเป็นอะไรส่งมีสังขารคือคิดปรุงปรงคิดว่าอันเนี้ยอะไรเป็นอะไรก็ปรุงคิดกับสิ่งที่มากระทบเนี่ยแล้วก็ดับไปแล้วก็บิน ญ, ญาณเนี่ยวิน ญ, ญาก็เกิดมารับรู้สลับไปอย่างเงี้ยบิญญาก็เกิดมารับรู้ใหม่แล้วก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารมารับรู้แล้วส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารอย่างเงี้ยหมุนเวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อย เนี่ยคือขันท่าก็ทํางานไปส่วนวิวญญาณาขันเนี่ยทํางานไปรับรู้ทางไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็รับรู้เวทนาสัญญาสังขารทางประตูใจเนี่ยวิญญาณมีหน้าที่รับรู้ทางถาวรตามถาวรเนี่ยวิญญาณมีหน้าที่รับรู้ตามถาวรเสร็จ แ, แล้ววิญญาณรับรู้ตามถาวรเสร็จก็ส่งต่อเข้ามาทํางานเรื่องบัญเจตสติล ค, คือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันเอามาคิดปรุงปุงคิดอยู่ในใจ รู้อะไรก็ต้องเอามาวิภาควิจารณในใจถูกใจก็วิพาควิจาร์ไม่ถูกใจก็วิพาก์วิจารเป็นกลางกางก็วิพาควิจาร์เอามาคิดปรุงปุงคิดคปรุงปุงคิดจําได้หมรู้แล้วมาคิดปรุงปรุงคิดมันผสมปนอยู่ในในแนาบนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอนี่คือกระบวนการทํางานของขันห้าส่วนในวิญญาณธาตุหรือวิญญาณที่มาเกิดเนี่ยหรือปฏิทนที่วิญญาณตั้งแต่เรียกว่าปฏิทนที่วิญญาณก็ใช้กับวิญญาณที่มาเกิดเออมาเกิด เพื่อให้เรียกว่าให้มันต่างกับวิญญาณขันวิญญาณขันมันคือมาเกิดแล้วเราทําหน้าที่วิญญาณขันเนี่ยทําหน้าที่รับรู้ตามถาวรรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารตามถาวรแล้วเอามาคิดปรุงอะไรในใจพอไปรู้าารรก็เอามาคิดปรุงรู้อะไรก็มาคิดปรุงในใจรู้อะไรก็ต้องมาคิดปรุงในใจนี่คือวิญญาณขันส่วนวิญญาณธาตุเนี่ยคือมารู้เนี่ยวิญญาณธ า, าตุคือวิญญาณที่มาเกิดนี่ไงหรือเรียกว่าจิตแท้ จิตตั้งเดิมแท้ๆใจตั้งเดิมแท้ๆหรือว <walker? S 1> <th> ิญญาณตั้งเดิมแท้ๆก็คือนี่เนี่ยก็คือมารู้อะไรก็รู้ตัวเราเนี่ยรู้ขัน้าเนี่ยรู้ตัวเราที่เป็นขัน่าเนี่คือรู้ว่าเนี่ยขันห้ารู้ขัน้าตัวเรารู้ะไรมันก็รู้อยู่เนี่ยสามกรณีคือรู้ว่าตัวรู้ร่างกายของเราในการเคลื่อนไหวในอีัยบทต่างๆทำกิจการงานต่างๆรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวรู้ร่างกายนั่งยืนเดินนอน ของน้ำดื cues, ่มกินทํากิจการโน้นทํากิจการงานนี่รู้ร่างกายเราที่เคลื่อนไหวไปมาแล้วก็รู้รู้อะไรรู้การพูดรู้ร่างกายเราที่พูดพูดอย่างง้นพูดอย่างนี้พูดอย่างเนี้ยแล้วก็รู้ร่างกายเราเนี่ยที่คิดคิดนึกตึกตองปรุงแต่งแสดงกิริยาการต่างๆรู้ว่าเนี่ยร่างกายจิตใจเรามีเวทนาอย่างไรเนี่ยรู้รู้รู้ด้วยในร่างกายเราเนี่ยเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคือวิญญาณธาตุเนี่ยมันรู้เรื่องของตัวเรา มารู้เรื่องของตัวเราวิญญาณธาตุเนี่ยมันมารู้เรื่องของตัวเราส่วนวิญญาณขันเนี่ยมันไปรู้ตามทวารแล้วมาคิดปรุงในใจรู้รูปก็มาคิดปรุงในใจรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการของใจเนี่ยก็มาคิดปรุงในใจส่วนเอามาคิดปรุงอย่างไหนเนี่ยวิญญาณธาตุวิญญาณนี่มาเกิดมีหน้าที่รู้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยรู้ตัวเราทั้งตัวว่าตัวเราเนี่ยนั่งอยู่ยืนอยู่เดินนอนยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำมังสวิดื่มกินทํากิจการงานใดเนี่ย เนี่ยคือตัวเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวเรามีอาการสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเป็นกลางๆก็ตัวเราก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวเราเนี่ยพูดอะไรอยู่ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวเรามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรไม่ว่าจะแอ บ, บคิดแอ บ, บนึกแอ บ, บตึกแอ บ, บตองอะไรเป็นกุศลอกุศลในที่รับที่แจ้งเนี่ยไม่รอดท้นจากวิญญาณวิญญาณธาตวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้หรือผู้รู้จะเรียกว่าผู้รู้ก็ได้ผู้รู้เนี่ย ไม่สามารถรอดจากผู้รู้เลยวิ ญ, ญญาณธาตุเพราะอะไรมันเพราะมันเป็นวิญญาณคือเราแท้ๆที่มาเกิดนี่เลยมันเลยรู้ตัวเราตลอดเลยอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละแต่มันไม่มีตัวตนวิญญาณธาตุเนี่ยตัวตนมันไม่มีรู้เนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิยาการใดๆคิดนึกตึกตอมปรุงแต่งไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้แสดงพฤติแห่งจิตไม่ได้ไอะที่มันแสดงกิยาการ ใ, นในดๆได้เนี่ยไอ้ที่รู้เนี่ย รู้แล้วมาเอามาคิดมานึกมาตึกมาต่อมาไข่ควรประมวลผลได้มาเข้าใจได้ไม่เข้าใจได้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นวิญญาณนาขันมันถึงเอามาประมวลผลได้โดยวิญญาณ uhh genetic, นาขันเนี่ยทางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตตามภาพพิธธรรมเนี่ยจิตหรือวิญญาณนาขันเนี่ยทํางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมันเลยพอรู้อะไรเนี่ยมันต้งรู้ต้งคิดต้งรู้ั้งคิดต้องตึกตองทั้งคร้ควรประมวลผลได้ตลอดเวลา อะไรที่รู้ได้ใครควรได้ประมวลผลได้เน in ี่ยมันเป็นวิญญาณขันมันเป็นสิ so ่งท er ี่ไม่เที่ยงขันทั้งห้าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปส่วนวิญญาณธาตุหรือวิญญาณที่มาเกิดเนี่ยวิญญาณดั้งเดิมแท้จิตดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้เนี่ยที่มาเกิดเนี่ยอันเนี้ทําหน้าที่รู้เรื่องของตัวเรารู้เรื่องของตัวเราว่าตัวเรานั่งอยู่เรายืนเราเดินเรานอน ตอนนี้ไอ้ไอ้รู้เนี่ยวิญญาณวิญญาณธาตุเนี่ยที่มาเกิดเนี่ยวิญญาณที่มาเกิดเนี่ยวิญญาณตั้งเดิมประแฉหรือจจตั้งเดิมประแฉหรือแจตั้งเดิมประแฉมีหน้าที่มารู้เรื่องของตัวเราว่าเราเนี่ยเคลื่อนไหวในกิริยาการใดมีความคิดมีความคิดความนึกความตึกความตองมีความสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจมันไอ้เนี่ยรู้รู้อันเนี้ยมันคิดไม่ได้มันคิดไม่ได้พูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้แสดงกิริยาการไม่ได้ อ้ที่คิดได้พูดได้แสดงกริยาการได้ประมวลผลด้วยทำอะไรได้มันเป็นเรื่องของขันห้าที่ถูกรู้เป็นเรื่องของขันห้าที่ถูกรู้เราสังเกตไหมขันถามว่าเราเนี่ยแอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบตองแอบไปพูดแอบไปกระทาอะไรในที่ลับที่แจ้งเราบอกว่าไม่มีใครรู้เราหรอกแต่เราเชื่อไหมว่ามีคนที่รู้เราใครรู้เรา อ่ะใครเป็นคนมารู้อาเอาพูดใหม่ดิพูดใหม่ที่ใครเป็นคนมารู้เราวะเราแอ บ, บคิดแอบบพูดแอบบกระทาอะไรที่รับที่แจ้งเราบอกว่าซ่อนเล่นวิชิตเลยไม่มีใครรู้เรกแต่ใครอามารู้เราได้ตัวเราเองค่ะตัวเราเป็นคนรู้เห็นไหมจําคําพูดนี้ไว้ให้ดีนะเดี๋ยวไมเวลาคันถามเข้าบอกว่าใครเป็นคนมารู้ว่าตัวเราเนี่ยแอบบคิดแอบบพูดแอบกระทาอะไรไม่ว่าจะแสดงอะไรเมื่อกี้ที่โยมบอกว่าโยมนั่ง แล้วมันเมื่อยเอ๊ะแล้เมื่อยแล้วเราจะขยับตัวดีไหมหรือเราจะไม่ขยับดีเอ๊ะถเราขยับดีเราจะหลงหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะอย่างงี้เราเราเราหนีทุกข์ไปหาสุขหรือเปล่าเนี่ยถ้าโยมเ ies, น, นี่ยเข้าใจตรงเนี้ยโยมจะไม่มายุ่งออกับตรงนี้เลยก็ราะโยมจะเพียงแต่ว่าเป็นผู้รู้ตัวเราตลอดเวลาว่าเรากําลังคิดอย่างเนี้ยวาคิดอยู่ว่าจะดิ้นรนจะค้นหาแล้วก็รู้เวทนาเพราะตอนนี้เราเมื่อยเราเมื่อยเราจะขยับดีไหมเราขยับดีแล้วขยับดีอย่างนี้เราหนีออกจนีออจากทุกข์หรือเปล่า มันจะรู้ทั้งเวทนาต้องรู้ตั ว, วเรากําลังกำลังคิดกำลังพูดกําลังบ่นกำลังพยายามเพราะอะไรไอ้ตัวเราเคลื่อนไหวจริงเสี้ยววินาทีเดียวปรัมมนูเดียวเนี่ยก็ถูกรู้ได้แล้วว่าถูกรู้ใครอะถูกรู้โดยเราเราเป็นคนรู้เวลาคันถามเข้าบอกว่าเราเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้ดังนั้นไอ้คนที่รู้เนี่ยที่มารู้เราเนี่ยแท้จริงนะ่ะคือเราแต่พอใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราเอาตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเราแล้วเอาไว้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยไปยุ่งวุ่นวายไปหมดเลย ไปพยายามไปคิดไปปรุงแต่งไปช่วยตัวเราเองไปพยายามจะทำหนึ่งวันไปทำอยงนี้ไปทําอย่างงั้นไปทําอย่างนี้แล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้เป็นตัวเราไอ้ตัวที่เราเนี่ยช่วยตัวเราเองได้เนี่ยเป็นตัวเราแต่ขั้นถามว่าใครอมารู้ว่าตัวเรากําลังกระทำพฤติกรรมอย่างนั้นภายในจิตกาลังช่วยตัวเราหาทางช่วยตัวเราทุกวิธีทางเลยไม่ว่าจะอยู่ในห้องน้ําห้องส้วมอยู่ในห้องนอนอยู่ในที่รับที่แจ้งเราไม่ว่าจะไปทําอะไรภายในจิตเนี่ยรอดพ้นจากใครรู้ไหม รอดพ้นจากตัวเราที่มารู้ตัวเราไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะรอดพ้นได้เลยคนอื่นไม่รู้แต่ใครรู้ตัวเราอ่ะรู้คันถามพวกเราทุกคนน่บอกว่าตัวเรา่รู้ตัวเราอ่ะรู้แต่เอาข้อจริงอะพวกท่านไม่เอาตัวเราเป็นคนรู้จะแล้วเอาตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราเอาตัวเราที่คิดที่มีอารมณ์ได้ที่จะเคลื่อนไหวหาทางช่วยเหลือตัวเองได้มันเวทนามากเลยอุ้ยจะทํำยังไงอย่างนี้มันหลงเวทนาหรือเปล่ามันจะหนีอดจากทุกไปหาสุขหรือเปล่าอะไร มันก็คิดนปนผสมมุ่นสับสนวุ่นวายไปหมดงงสับสนไปหมดอ่ยแท้จริงเนี่ยถ้าทันสกเกตด้ดีเนี่ยใครรู้ว่าเราเนี่ยงงเราสับสนเราวุ่นวายเรามีอาการวุ่นวายไปใจไปหมดเลยใครเป็นคนรู้เรารู้เห็นไหมเรารู้ค้นถามบอกใครเ็คนรู้เรารู้อ่ะแล้วทํำไมไม่เอาเราอะเป็นคนรู้ไปเอาไว้ไอตัวเราที่คิดสับสนงงและหาทางช่วยเหลือตัวเราตลอดเวลาเป็นตัวเราเรื่อยไปเรื่อยเลยอย่างเนี้ย แล้วที่ร้ายสุดคือไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยมันต้องเป็นตัวตายมันเป็นของตายต้องตายต้องแตกต้องดับตัวเราที่มัน ม, ม, มีความคิดความนึกความตึกความตองความปรุงแต่งนีอารมณ์ได้มันเป็นของตายเราอย่าไปยุ่งกับของตายให้อยู่กับของที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ดับไม่ตายไม่ทําลายนั่นแหะคือไอ้ที่มารู้ตัวเราเนี่ย เ, <Make> เป็นของที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดใดเลยมันเป็นของอไม <affection, S 1> ่แตกไม่ดับไม่ตายไม่ทําลายได้ไม่อาจถูกทําลายได้ ท่านกล่าวว่าไม่มีอาวุธใดๆในโลกมาฆ่ามันตายได้พระนิพพานก็ฆ่ามันไม่ตายเพราะมันไม่มีตัวตนในที่มารู้ตัวเราเนี่ยพระนิพพานฆ่าได้แต่กิเลสและความทุกข์แต่ฆ่าไอ้ตัวที่มารู้ตัวเราเนี่ยซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยฆ่าไม่ตายฆ่าไม่ได้ตัวเนี้ยเพราะตัวตนมันไม่มีเป็นอมตะมันเป็นอมตะเป็นอมตธาตุอมตะธรรมตัวตนมันไม่มีใครไปเป็นน่ะรู้ให้ไปเป็นรู้รู้อะไรกันรู้มารู้ตัวเราเนี่ย ที่คิด er án, ที่ผู้ที่กระทําทุกกริยาการทุกขณะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าตัวเราจะแสดงอาการกริยาการคิดแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถลอดพ้นจากตัวเราที่มารู้ตัวเราได้เลยไอ้ตัวเราที่มารู้ตัวเราเนี่ยคือตัวเราที่แท้จริงส่วนไอ้ตัวเราที่มีคิดนึกตึกตอนปรุงแต่งที่เคลื่อนไหวได้กริยาการไปมาได้ทํากริยาการต่างๆได้ช่วยเหลือตัวเราเองได้ดิลนค้นหาหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดพยายามจะทําอะไรเป็นอะไรได้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวอะไร มันเป็นตัวที่ถูกรู้ถูกรู้โดยใครก็ถูกรู้โดยเราอ่ะเราก็ต้องรู้ตัวเราดีตลอดเวลาที่เราไปทําพฤติกรรมแบบนั้นให้เป็นรู้อย่าไปเป็นตัวเราที่ถูกรู้เพราะไอ้ตัวเราที่ถูกรู้มันเป็นของตายได้มันเป็นของที่เกิดดับที่ของที่ทําลายได้ไอ้รู้นั้นไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายเราอย่าไปยุ่งกับของตายให้เป็นรู้ดังนหน้าที่พูดกันที่เมื่อกี้ที่จ๋ากับกับกีวีที่บอกว่ารู้ไม่คิดรู้คิดไม่ได้รู้ไม่คิดรู้ไม่พูดรู้ ไม่มีตัวตนรู้วันเป็นของว่างเปล่าเหมือนธรรมชาติจักรวาลไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างถ้าเป็นความรู้สึกว่างเนี่ยไอ้ตัวเรารู้สึกว่างใครมารู้ว่าตัวเรารู้สึกว่างไอ้รู้สิรู้ว่ารู้รู้สึกตัวว่างอันนั้นไอ้ความรู้สึกว่างไม่ใช่ตัวเราแต่ไอ้ที่มารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกว่างสบายดีไอ้นั่นแหะคือเราแท้ๆเราเนี่ยได้แต่รู้แต่ไม่มีอาการใดๆเลยดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่างมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวเราที่ถูกรู้อันนี้เป็นตัวสมมุติเป็นตัวปรุงแต่งเป็นของตาย แต่ที่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเราว่างโป่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบนิ่งว่างอะไรก็ตามตัวเราที่ถูกรู้ได้เนี่ยมันเป็นตัวตายเป็นตัวปุงแต่งเป็นตัวเกิดดับจะไปยุ่งกับไอ้ตัวตายให้เป็นรู้รู้ตัวเราให้เป็นรู้เป็นรู้ไอ้รู้เนี่ยมันเลยคิดไม่ได้แสดงกิริยาการใดๆไม่ได้ไม่อาจจะถูกรู้ได้เนี่ยสําคัญที่สุดคือมันไม่อาจจะถูกรู้ได้ไอ้รู้เนี่ยเพราะอะไรมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้ตัวเรานี่แน่รู้ตัวเรา คือรู้ว่าเราคิดเราพูดเราก็ทําอะไรมีความรู้สึกสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจยังไงมันเลยรู้ทั้งกายรู้ทั้งเวทนารู้ทั้งจิตรู้ทั้งธรรมอารมณ์เนี่ยในร่างกายจิตใจเรานี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นทางนี้ทางเดียวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีที่เขาไม่เกียนหนังสือกันทางสายเอกเนี่ยสติปัฏฐานสี่ก็คืออะไรก็คือมันนี่เนี่ ย, ยไอ้ร่างกายเราเนี่ย ที่ถูกรู้เนี่ยคือร่างกายเวทนาเนี่ยแล้วก็จิตก็คือความคิดความปรุงเนี่ยแล้วก็ทำก็คือทำอารมณ์เนี่ยทำอารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารนีคือทำอารมณ์ก็คือสรุปแล้วก็คือขันห้าเนี่ยก็คือร่างกายของเราร่างกายจิตใจเราขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยแล้วให้ปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้อย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเพราะว่ามันเป็นของตายเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปยุ่งกับของตายให้เป็นรู้ให้เป็นรู้มารู้ตัวเรานั้นเนี่ยไอ้รู้เนี่ย เมลคิดไม่ได้แสดงกิริยาการ ใ, ใดๆไม่ได้มันมีความรู้สึกใดๆไม่ได้มันไม่อาจถูกรู้ได้เพราะสิ่งที่ถูกรู้ได้มันเป็นขันห้าคือตัวเราทั้งหมดเลยที่เป็นตัวปลอมเป็นตัวสมมติเป็นตัวปลอมหมดเลยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวแตกตัวตายตัวทําลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้ไอ้รู้เนี่ยมันได้แต่มารู้อย่างเดียวมันได้แต่รู้ตัวเราอย่างเดียวมันไม่อาจถูกรู้ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเรามีความรู้สึกอย่างไรอตัวเรารู้สึกมีความสุขสบายดี รู้สึกมีความสงบนิ่งว่างเฉยดีรู้สึกโปง่งโล่งเบาสบายรู้สึกแน่ น, อ, นอึดอัดรู้สึกเจ็บปวดนี่ไอตัวเราที่ถูกรู้ได้มีความรู้สึกอย่างไรได้มันเป็นขันห้าเป็นตัวเราเป็นของตายไอตัวนี้ยเป็นของเกิดดับเป็นของไม่เที่ยงแต่ที่รู้ว่าตัวเรากําลังสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใ จ, ยใจเจ็บปวดเมื่อยหมดเลยไอที่รู้เนี่ยคือเราแท้แท้ให้อยู่กับเราแท้แท้เป็นเราแท้แท้อยู่กับเราแท้แท้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบอก <c oughs> อยู่กัรู้อยู่ก็รู้ก็อยู่กันรู้นี่แน่รู้อะไรก็รู้ตัวเรานี่แน่ไอ้รู้นั่นนะ่ะคิดไม่ได้กับเพื่อไม่ได้ไหวตัวไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่อาจแตกทําลายได้ไม่อาจจะถูกรู้ได้เนี่ยสาคัญที่สุดไม่อาจจะถูกรู้ได้เพราะอะไรถ้ามันเนี่ยมีกวามรู้สึกถูกรู้ได้เอ้ออย่างนี้เพื่อนฝาดที่เป็นรู้ที่คนมองเจ้าประทานอย่างนี้นะ่าดที่เป็นรู้ถ้ามันถูกรู้ได้ว่านี่เป็นรู้เนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วมันไม่ใช่เป็นรู้ พรรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนหาตัวมันไม่ได้แต่มารู้กันแล้วกันว่าตัวเราเนี่ยถูกรู้อยู่แต่เ้าจะไปหาว่าไอ้ไอ้ที่รู้ตัวเราอยู่ตรงไหนปะมันมีรูปร่างเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนมันเป็นที่ใครนะมันอยู่ตรงไหนเออไอ้รู้ทําพูดได้ก็บอกว่ากูอะไรเป็นมึงรู้หรอเ่ามึงอะไม่เข้าใจเองไะแหละกูเนี่ยเป็นมึงอ้าวแต่อยู่ไหนปะแล้วกูแล้วอยู่ตรงไหนอะไหนเ่ะที่มาลุกกูตลอดเลยแล้วที่เป็นกูอะอยู่ตรงไหนปะ ไม่เคยเห็นตัวมันเลยนั่นแหละที่ไอไม่เห็นตัวมันนั่นแหละเพราะตัวมันไม่มีไม่ใช่ว่าเราต้องไปท่องบอกตัวเราไม่มีเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีเราไม่มีตัวตนไม่ใช่เราก็ต้องพิจารณาความจริงอย่างนี้ว่าไอที่มารู้ตัวเราแล้วตัวมันอยู่ตรงไหนเราหามันไม่เจอจริงๆเราต้องยอมแพ้ว่าเออมันได้แต่ปล่อยวางตัวเราเรื่อยไปเราจะไปหาไอผู้ที่มารู้ตัวเราจะไปหาอย่างไรเพราะว่ามันไม่อาจถูกรู้ได้ไงแล้วเราจะไปหาไมได้ไง แล้วผมจะพบรู้ได้ยังไงเราจะไปหารู้ได้ยังไงก็จะไปหามันได้ยังไงกับมันไม่มีตัวตนดังนั้นเนี่ยมีวิธีเดียวเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นรู้ก็คือปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้เสียทั้งหมดตลอดเวลาสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดคือใครก็คือเนี่ยร่างกายเราคือรูปร่างกายจิตใจเราคือ ร, รูปเวทนาเนี่ยแล้วก็ร่างกายเราคืออะไรสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเ่๊ะไหมก็คือขันห้านี้คือร่างรูป ร่างกายเวทนาแล้วก็จิตเนี่ยจิตทีต่คิดวุงปุ ง, ปงคิดแล้วก็ทําก็คือทําอารมณ์เนี่ยดังนั้นสติปัฏฐานสี่ก็คือเนี่ยมันรู้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยอย่างเดียวที่เป็นรู้แล้วก็รู้นั่นเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดดับไม่ได้แสดงกิริยาการใดๆไม่ได้ไม่อาจจะถูกรู้ได้ไม่อาจจะถูกรู้ได้และไม่อาจจะถูกค้นพบได้โดยใช้ขันธ์ห้าพยายามค้นพบเขาไปหาเขาไม่อาจจะค้นหาเขาได้โดยขนันธ์ห้า ไม่อาจจะเอาตาหูจมูกลิ้นประตูกายประตูใจเนี่ยไปหาเขาได้เลยไม่อาจจะถูกรู้โดยอายะตะนะไม่อาจจะถูกรู้โดยขันห้าไม่อาจจะเอาวิญญาณขันเนี่ยไปรู้เขาได้และไม่อาจจะเอาอายะตะนะประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหาเขาพบได้เพราะเขามีหน้าที่รู้อายะตะนะนี่รู้กายรู้ใจนี่เขาไม่มีหน้าที่ถูกรู้เพราะตัวตนเขาไม่มีมีแต่รู้เท่านั้น อาาราันตทั้งหลายอยู่กับรู้นี่อยู่กับรู้รู้อะไรก็รู้ตัวเรารู้ลากาจรจิตใจของเรานี่เนี่ยอรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมดังนั้นตัวเราได้ปวดเมื่อยออย่างงี้หนูขยับอย่างงี้แล้วหนูจะถ้าอย่างงี้หนูจะหนีออกจากทุกข์หรือเปล่าหนูอย่างนี้หนูอย่างงั้นสงสัยอย่างงี้ดี่ลนนหล่นข้อหนาแต่และคนก็จะมาถามมันเอาขันห้ามาถามหมดเลยอธิษฐานต้งหมดเนี่เอาขันหน้ามาถามมันยุ่งอยู่ในขันห้าพุ่นวายแต่ในขันห้า มีความสุขความทุกข์ความดิ้นรนความค้นหาความปรุงแต่งแม้เอาขันหน้าปนอยู่ในเรื่องเรื่องวุ่นวายแต่เรื่องขันหน้าอยู่ในขันหน้านี่แน่ปนกันอยู่นี่แน่มันไม่ได้ไปไหนออกจากขันหน้าได้เลยที่มาตามทั้งหมดเนี่ยมันไม่ไปเป็นรู้ตัวเรารู้ตัวเรามันเพราะตายแล้วมันก็ติดอยู่ในขันหน้าเนี่ไม่ได้ไปไหนแล้วเพราะอะไรมันยึดขันหน้าอยู่ไม่ได้ออกจากหลุดออกจากขันหน้าได้เลยพอมันเป็นรู้ตัวเรารูมันก็เออมันก็เลยหลุดออกจากขันหน้าได้จะรู้ตัวเราใดก็ปล่อยวางตัวเราวไปเรื่อย ถูกรู้ก็สักแต่ว่าแค่รู้แค่รู้สักตะว่นรู้นั่นแหละ